เมื่อสักห้าสิบปีก่อนม paper, uk, mm ีฝรั Hence, deals, ่งชาวอเมริกันคนหนึ่งไปสนโมกนะฝรั่งคนนี้แกก็ทำงานให้กับรัฐบาลอเมริกันรัฐบาลอเมริกันตอนนั้นก็มีนโยบายต่อต้านคอมมิวนิสต์แล้วก็พยายามชักชวนให้รัฐบาลไทยเนี่ยต่อต้านคอมมิวนิสต์ด้วยเพอตอนนั้นคอมมิวนิสต์ก็ มันก็แพร่มาจากจีนมาเวียดนามมาลาว์ผูหลังนนี้ก็อยู่สวนโม้งได้สักสองวันแล้ววันหนึ่งก็ไปหาท่านอาจารพุทธทาสแล้วก็ชักชวนให้สนม้เนี่ยโดยพ่ออาจารย์พุทธทาสเนี่ยเชษนา ต, ต่อต้านคอมมิวนิสต์อาจารย์พุทธทาสก็ปฏิเสธ เขาก็ถามว่าทาไมถึงปฏิเสธอ่ตามพูดทธาก็บอกว่าเราไม่ได้กลัวคอมมิวนิสนะเรากลัวกิเลสคาพูดสั้นๆนี่มีความหมายนะเราไม่ได้กลัวคอมมิวนิสนะเรากลัวกิเลสอันนี้จะว่าไปมันก็เป็นหน้าที่ของชาวพุทธนะหรือว่าเป็นข้อสองว่างงชาวพุทธก็คือว่าเราไม่กลัวอะไรเท่ากับกลัวกิเลส การบวชการปฏิบัติของเราเนี่ยก็เพื่อปกป้องรักษาใจไม่ให้กิเลสมันเข้ามาครอบงำเพราะถ้ากิเลสเข้ามาคร่อบงำจิตใจแล้วเนี่ยก็สามารถจะทำชั่วเบียดเบียนตนต้องเบียดเบียนผู้อื่นได้กลัวความดวิสต์ไม่ ไม่สำคัญแต่ก็กลัวกิเลสนะแต่ว่าบางทีชาวพุทธเราหรื อ, อคนทั่วไปเนี่ยกลัวคอมมิวนิสต์มากกว่านะสมัยนั้นนี่กลัวคอมมิวนิสต์มากแล้วพอกลัวมากๆนี่มันก็เปิดช่องให้กิเลสนี่เข้ามาเล่นงานจิตใจได้นะถึงกับทำร้ายผู้คน ฆ่าฟันเพื่อนร่วมชาติก็ได้วันนี้นี่6ตุลาเนี่ยก็ครบ40ปีนะเหตุ ก, การณ์ที่ธรรมศาสตร์เช้าวันนั้นนี่ก็มีการสังหารผู้คนล้มตายกันก็หลายสิบนะถูกจับก็ประมาณสองสามพันคนได้ มันมีเหตุการณ์ที่เสียดสดอยองเกิดขึ้นนะเช่นลากลากคอคนไปตามสนามฟุตบอลจนเขาหมดลมหายใจหรือไม่ก็แขวนคอกับต้นมะขามแล้วก็เตะถีบแทงบางทีก็มีการถมลำลายใส่ร่างของคนตายนะมีการฉีลงไปด้วยนะฉี รถ ล, ล่างคนตายก็มีที่สนามฟุตบอลธรรมศาสตร์อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อมันจะเกิดกับเมืองไทยได้นะเมืองไทยที่คลยๆว่าเป็นสยามเมืองยิ้มเนี่ยฝรั่งนี่เขาตกใจมากนะว่าคนไทยทำได้ขนาดนี้เฉลือคนไทยก็ตกใจเหมือนกันนะว่าทำกันได้นะถามว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงนะต่อตอบง่ายๆคือเพราะกลัวคอมมิวนิสต์นั่นแหละ กลัวจกนกระทั่งลืมตัวคนธรรมดานี่เขาไม่ทำกันนั้นนะประเภทว่าแขวนคอแขวนคอคนทั้งเป็นเงี้ยหรือว่าเอาปืนเอามีดเอาเอาวุธไปทำร้ายคนที่ไม่มีอาวุธนะแต่ที่ทำงั้นได้เพราะความลืมตัวคนเราถ้าลืมตัวแล้วก็ทำได้ทุกอย่าง และลืมตัวในวันนั้นเนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่าความกลัวความโกรธความเกลียดคอมมิวนิสต์นะคือมันไม่ก็มีคนจำนวนหนึ่งเนี่ยที่หลงเชื่อคำปลุกปัน่นยกยงว่าเนี่ยนักศึกษาที่ชุมนุมประท้วงที่ธรรมศาสตร์เป็นคอมมิวนิสต์นะแล้วก็เป็นพวกนี้เป็นพวกที่คิดลายต่อชาติาสากษศัตร์นะ ก็มีคนไทยจำนวนหนึ่งก็มากด้วยนะเชื่อนะก็ทำให้เกิดความโกรธความเกลียดนะแล้วเกิดความกลัวนะก็ถึงกับเข้าไปทำร้ายนะนักศึกษาที่เขาไม่มีอาวุธนะอาตมาก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะในวันนั้นนะแต่ว่า ไม่ได้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สนามฟุตบอลธรรมศาสตร์ซึ่งมันมีภาพที่เสียดสยองเยอะนะรวมทั้งที่สนามหลวงแล้วก็ที่หน้ากระทรวงยุติธรรมอันนั้นมีภาพที่โหดร้ายมากเสยดสยองอันนี้มันสะท้อนเห็นนะว่าคนเรานี่นะถ้ากลัวคอมมิวนิสต์มากๆนี่นะมันก็ลืมตัวนะปล่อยให้กิเลสเข้ามาครอบงา และที่กลัวมาก ๆ, ๆก็เพราะมีความยึดติดถือมั่นนะยึดติดถือมั่นในอุดมการณ์เช่นอุดมการณ์ชาติศาสตริย์นะพอเห็นนักศึกษาหรือพอได้ข่าวนักศึกษานี่เขาเป็นภัยต่อชาติศาสตริย์ก็เกิดความโกรธความเกลียดและความกลัวพอโกรธเกลียดกลัวเขาเนี่ยนะมันก็ลืมตัวแล้วนะกิเลสเข้ามาครอบงํา คนธรรมดาที่อาจจะไม่ตบยุงหรืออาจจะทำบุญนะให้ทานคนยากคนจนก็อาจจะกลายเป็นปีาศาจร้ายก็ได้มาลืมตัวจริงๆนะคนเราเนี่ยนะถ้าหากว่ามีความโกรธความเกลียดเข้ามาครอบงำอย่างที่เราได้ข่าวพอโกรธเกลียดเข้านะก็อาจจะฆ่าเมียฆ่าลูก หรือค่าพี่น้องค่าเพื่อนได้นะอย่างกรณีที่ธรรมศาสตร์เมื่อ40ปีที่แล้วก็มันก็เป็นการาลืมตัวแบบรวมหมู่นะเพราะความเกียดชังคอมมิวนิสต์นะพอเกียดคอมมิวนิสต์เข้านะมันก็เปิดช่องให้กิเลสเข้ามาครองงำจิตใจก็กลายเป็นะ ฝันร้ายนะของประเทศนะกลายเป็นบาดแผลที่มันอยู่ในจิตใจของผู้คนนะสี่สิบปีผ่านไปคนก็ยังไม่ลืมเหตุการณ์นี้นะแต่เดี๋ยวนี้นี่คนไทยเราก็ไม่ได้กลัวคอมมิวนิสต์นะแต่ก่อนนี้เรากลัวมากนะกลัวขนาดทําให้เกิดเหตุการณ์หกตุลาได้แต่เดี๋ยวนี้พอผ่านไปเราก็รู้ว่าคอมมิวนิสต์มันไม่น่ากลัวนะ แต่เราไปกลัวอย่างอื่นนะเราไปโกรธอย่างอื่นแทนนะเช่นโกรธเกลียดกลัวคนที่มีอุดมการณ์ต่างจากเราเนะี่ยอุดมการณ์ที่อยู่คนละฝักคนละฝ่ายเช่นอยู่คนละสีนะสีเหลืองบ้างสีแดงบ้างท่านโลกมันก็แต่ว่าไปก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากนะ จากเปลียนจากกลัเกลียดกลัวคอมมิวนิสต์ก็มากลัวเกลียดกลัวสีเหลืองบ้างสีแดงบ้างแล้วก็ปล่อยให้กิเลสเข้ามาครอบงําคนเราถ้ากลัวกิเลสนะมันจะไม่ปล่อยให้ความโกลัวความเกลียดความกลัวเข้ามาครอบงําจิตใจได้นะถ้าเรากลัวกิเลสเราก็จะมาเฝ้าดูจิตใจของเรานะไม่ให้โลรโกรดหลงนี่เข้ามาคลองใจ แต่ถ้าโกรธหรือกลัวอย่างอื่นนี่เช่นโกรธกลัวคอมมิวนิสต์โกรธกลัวคนที่คิดต่างจากเรามันก็จะส่งจิตออกนอกนะไปเพ่งดูคนนั้นคนนี้แล้วก็หวาดระแวงไอ้ตอนที่ไปเพ่งจิตออกนอกด้วยความหวาดระแวงนี่แหละนะมันก็เปิดช่องให้กิเลสเข้ามาครอบงํายิ่งพอลืมตัวมากมากนี่กิเลสมันก็ได้โอกาสเลยนะเพราะคนเราลืมตัวเนี่ย ถ้าลืมตัวเสีอย่างนี่มันทําอะไรก็ได้ทั้งนั้นนะการฆ่ากันเพราะเกลียรติชังหรือกลัวคอมมิวนิสต์มันหายไปแล้วนะแต่ว่าก็ยังมีการฆ่ากันเพราะเกลียดกลัวอุทมการณ์อย่างอื่นแทนนะแสดงว่าสังคมก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเท่าไหร่ไนอะ้ฆาตกรที่แท้จริงก็ยังลอยนวล น, นะฆาตกรที่แท้จริงในเหตุการณ์ของตุลาก็ยังลอยนวล แล้วก็ไปก่อให้เกิดการฆ่ากันในที่อื่นอีกนะฆ่ากันปีห้าสามบงลาปีอื่นอื่นบางละนะเพียงแต่ว่าเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนสถานที่นะแต่ว่าฆาตกรก็คือตัวเดียวกันนะั่นแหละคือความโกรธความเกลียดนะที่มันเห็นมนุษย์นี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มนุษย์แต่เห็นเป็นผักปลาเนี่ย น่ากลัวมากนะกิเลสเนี่ยแต่คนเรานี่กลับไปกลัวอย่างอื่นมากกว่ากลัวกิเลสตอนนี้ก็เริ่มนะมีการปลุกระดมให้ให้กลัวให้โกรธ ใ, ให้เกลียดนะศาสนาอิสลามเนี่ยอันนี้ในหมู่ชาวพุทธเนี่ยในหมู่พระเนี่ยในหมู่ชาวพุทธก็จะมีการส่งข้อความทางลายบ้างทางเฟซบุ๊กบ้างนะ ข้อความส่วนใหญ่ก็เป็นเท็จนะมีการใส่ร้ายป้ายสีชาวมุสลิมบ้างาศาสนายิสลามบ้างนะเพื่อปลุกให้คนเนี่ยโกรธแล้เกลียดแล้วกลัวศาสนายิสลามว่าจะมาบ่อนทำลายพุทธศาธสนาอันนี้คำขอจากพุทธา น, นี่ยังมีความสําคัญอยู่นะอย่าไปกลัวอิสลามนะแต่ให้กลัวกิเลส จะดีกว่าศาสนาพุทธเนี่ยทุกวันนี้ก็เสื่อมโซนลงไปเนี่ยนะไม่ใช่เพราะศาสนาอื่นหรือไม่ใช่พระคอมมินิตนะแต่เพราะว่าเราไม่กลัวกิเลสกันนะพระสองฆ์องค์เจ้าชาวพุทธก็ไม่กลัวกิเลสนะเพราะถ้ากลัวกิเลสแล้วเนี่ยก็จะไม่ปล่อยให้โลคโกดลงเข้ามาครอบงํำพอโลคโกดลงเข้ามาครอบงาแล้วก็ไม่ทําหน้าที่ของตัวพระก็มีเรื่องอื้อเฉาวทําให้คนเสื่อมศรัทธา เช้าก็เรื่องส่วนใหญ่ก็เรื่องผู้หญิงบ้างเรื่องเงินบ้างอันนี้ก็เพราะโลภะแท้ๆนะก็ไปลองกินเละหรือไม่ก็ไปแย่งชิงไล่ล่าสมณศักดิ์กันการสอนคนให้มีศีลธรรมให้กลัวกินเละ ก, ก็ย่อหย่อนไปไอ้สิ่งเหล่านี้เนะี่ยที่ทำให้าศาสนาพุทธอ่อนแอนะคือปล่อยให้กินเละเข้ามาครอบงํา ในจิตใจของผู้คนให้จะไปกลัวอสลามนะกลัวกิเลสเนี่ยสำคัญกว่าสําคัญที่สุดนะเพราะถ้าเรากลัวกิเลสแล้วเราพยายามรักษาจิตรักษาใจไม่ให้กิเลสครอบงำไม่ให้วัตถุนิยมมาครอบงาจิตใจผ้าเราก็จะทําทตัวเป็นที่น่าศรัทธานับถือการทําหน้าที่สอนญาติโยมทั้งในเรื่องปริยัติและปฏิบัตินะก็จะเกิดขึ้นได้นะไม่กวัดแกวงไม่ ผิดเพี้ยนไม่คลาดเคลื่อนอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้อันนี้เราลืมหน้าที่นะเราลืมสิ่งสำคัญของเราชาวพุทธคือการกลัวกิเลสนะมากกว่ากลัวคอมมิวนิสต์มาก ก, กว่ากลัวาศสาสนา islam นะถ้าหันมารักษาใจนะรักษ า, าจิตของเรานะให้มันเข้มแข็งกิเลสไม่ครอบงำเนี่ยาศาสนาพุทธก็จะมั่นคงมากและอะไรก็จะทำลายไม่ได้นะจะบันทอน